ตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะการศึกษาการปฏิบัติเป็นเหตุที่จะนำพาให้ชีวิตของเราไปสู่ความเจริญไปสู่ความสุขให้เราอยู่ห่างไกลจากความทุกข์และความเสื่อมทั้งหลายถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนา มาสอนเราเราก็จะเป็นเหมือนกับคนตาบอดที่ไม่มีคนตาดีนำทางถ้าไม่มีคนตาดีนำทางคนตาบอดก็จะเดินไปในที่เป็นอันตรายได้เช่นเดินไปตกหลุมตกบอ่อเดินไปชนต้นไม้เดินไปชนเสา หรือเดินเข้าไปหาสิ่งที่เป็นภัยอันตรายชีวิตของพวกเราก็เหมือนกันจิตใจของกเราตอนนี้มันมืดบอดเหมือนกับคนตาบอดเราไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ไม่เห็นความทุกข์ไม่เห็นความสุขที่แท้จริงกันเรามองแบบ เห็นแต่ของที่ไม่ใช่เป็นของจริงเราเห็นความทุกข์ที่เป็นที่เป็นของปลอมเราเห็นความสุข ท, ท, ท, ที่เป็นของปลอมกันเราไม่เคยเห็นความทุกขแท้เป็นอย่างไรเราไม่เคยเห็นความสุขแท้เป็นอย่างไรเราจึงมักจะผิดหวังกันเพราะเรามักจะหาของปลอมกัน ของปลอมก็คือของที่ไม่ถาวรของที่ไม่อยู่กับเราไปตลอดนั่นเองไม่ว่าอะไรก็ตามถ้าได้มาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็หมดไปก็ถือว่าของนั้นเป็นของปลอมทำให้เราต้องหามาใหม่อยู่เรื่อยๆได้ของนี้มา พอใช้ไปหมดแล้วก็ต้องหามาใหม่หามาใหม่เดี๋ยวใช้ไปก็หมดอีกหมดก็ต้องไปหามาอีกเวลาหาไม่ได้ก็เสีย อ, อกเสียใจทุกใจไม่สบายใจแต่เราไม่รู้ว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องมีสิ่งต่างๆที่เรากำลังหากันอยู่ เราไม่รู้ว่าเราอยู่กันได้โดยที่ไม่ต้องมีสิ่งต่างๆไม่มีของปลอมมาหลอกเราเพราะเรายังไม่ได้เจอของจริงของแท้ของจริงของแท้นี้อยู่ในตัวเราแต่เรากลับไม่เข้าหากันเราถูกความหลงภายในใจหลอกให้เราออกไปหาของปลอมกัน เช่นอะไรคือของปลอมในสายตาของพระพุทธเจ้าในสายตาของพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็คือลาบยศสารเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายท่านเห็นว่ามันเป็นของปลอมเพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปหมดแล้วก็ต้องหาใหม่ าหาใม่แล้วก็หมดไปอีกก็ต้องหาไปเรื่อยๆไม่มีวันจบหาเท่าไหร่ก็จะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอเพราะของปลอมนี้ไม่สามารถให้ความอิ่มให้ความพอกับเราได้ต่อให้เรามีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองกองเท่าภูเขาแต่ใจของเราก็ยังจะไม่อิ่มไม่พอ กับทรัพย์สมบัติที่เรามีมากมายก่ายกองเราก็ยังอยากจะมีเพิ่มขึ้นไปอีกเศรษฐีที่มีเงินร้อยล้านพันล้านพอเขามีร้อยล้านเขาก็อยากจะได้พันล้านพอเขามีพันล้านเขาก็อยากจะได้หมื่นล้านมีหมื่นล้านก็อยากจะได้แสนล้านไม่มีคำว่าพอไม่มีคำว่าอยากจะได้ เท่านี้ก็พอแล้วมีร้อยล้านนี้ก็ใช้ไม่หมดแล้วอยู่อย่างสุขอย่างสบายไปได้จนวันตายแต่กลับอยู่เป็นสุขไม่ได้กลับจะต้องไปหามาเพิ่มอยู่เรื่อยๆหามาเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ทำให้พออยู่ดีจากร้อยล้านไปพันล้านพอพันล้านแล้วก็อยากจะได้หมื่นล้านแสนล้านไปเรื่อยๆ ไม่มีวันสิ้นสุดเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองจะไม่มีการให้ความอิ่มความพอกับใจของเราดังนั้นถ้าเรายังหาลาบยศรัเสรรหาความสุขทางตาหูจมูกมิ้นกายอยู่ก็เท่ากับเราวิ่งตะคุกเงาของเราเองนั่นเองเวลาเราเห็นเงาที่ทอดอยู่ข้างหน้าเรา เราก็จะเดินเข้าหาเหงานั้นพอเราเดินเข้าไปเงามันก็เลื่อนออกไปจากที่เดินเพราะเงามันออกมาจากตัวเราเองเวลาเราเดินไปเงา ม, มาันมันก็จะทอดไปอยู่ข้างหน้าอยู่เรื่อยๆต่อให้เราวิ่งช้าหรือวิ่งเร็วเราก็จะไม่สามารถที่จะจับเงาตามเงาเราได้ เงาของเรามันจะอยู ự, ่ข้างหน้าเราอยู ự, ่เสมอฉันใดความอยากมันก็จะอยู่ข้างหน้าเราอยู่เสมอมันจะรอเรารอให้เราได้สิ่งนี้พอเราได้สิ่งนี้แล้วมันก็จะอยากให้เราได้สิ่งนั้นต่อพอเราได้สิ่งนั้นต่อมันก็จะอยากให้เราได้สิ่งโน้นต่ออย่างที่มีคําพูดไว้ว่ามนุษย์เราเวลาเกิดมา ตอนต้นก็อยากจะมีมีกินมีอยู่พอมีกินมีอยู่แล้วก็อยากจะร่าอยากจะรวยพอร่ำรวยแล้วก็อยากจะมียศอยากจะมีเกียรติอยากจะมีคนนับหน้าถือตายกย่องสรรเสริญเคารพนับถืออยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตพออยากเป็นใหญ่อยากเป็นโตแล้วก็อยากจะเป็นไปนาน ไม่ยอมไม่ยอมให้มันหมดไปแล้วเวลาจะตายไปก็อยากจะไปสวรรค์นี่คือความอยากที่มันไม่มีวันหมดมันจะอยากไปเรื่อยๆวิธีถ้าเรายังมีความอยากอยู่เราก็จะไม่มีความอิ่มมีความพอเราจะไม่ได้พบกับความสุขของพระพุทธเจ้าและของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลาย พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี้ท่านเห็นว่าลาบยศสระเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นของปลอมเหมือนกับกินลมเวลาเรารับประทานอาหารถ้าเรารับประทานแต่ลมรับประทานไปมากน้อยเท่าไหร่มันก็จะไม่มีทำวันอิ่มวันพอได้เราต้องรับประทานข้าวรับประทานกับข้าว รับประทานขนมนมเนยต่างๆดื่มเครื่องดื่มต่างๆจึงจะทำให้ร่างกายของเราอิ่มได้ใจของเราก็เหมือนกันใจของเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องการอาหารที่จะทําให้ใจอิ่มอาหารของใจที่จะทําให้ใจอิ่มใจพอนี้ไม่ใช่ลาบยศสรรเสริญไม่ใช่รูปเสียงกลิ่นรสผลทพ อาหารของใจที่จะทำให้ใจอิ่มก็คือความสงบใจของเราถ้าสงบแล้วเราก็จะได้เห็นความอิ่มความพอเกิดขึ้นมาภายในใจของเราพอเรามีความอิ่มความพอแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราร่ำรวยยิ่งกว่ามาหาเศรษฐีหมื่นล้านแสนล้าน เพราะว่าเราไม่มีความอยากได้เงินหมื่นล้านแสนล้านนั่นเองเพอไม่รู้ว่าจะเอามาทําอะไรเอาเงินหมื่นล้านแสนล้านมาซื้อข้าวของต่างๆข้าวของเหล่านั้นมันก็ไม่ได้ทําให้เราอิ่มเราพอเหมือนกับการทําใจของเราให้สงบได้เลยดังนั้นเงินหมื่นล้านแสนล้านข้าวของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพชร เป็นทอง<ม>เป็นเพชรนินจินดา<ม>เป็นปราสาทเป็นเครืหาดเป็นรถยนต์<ม>เป็นอะไรต่างๆของเหล่านี้มันไม่ได้เป็นอาหารของใจได้มาแล้วไม่ได้ทำให้ใจเกิดความอิ่มเกิดความพอแต่กลับจะทำให้เกิดความอยากได้เพิ่มมากขึ้นบางคนซื้อรถมาคันแรกแล้วก็อยากจะได้คันที่สอง ออได้คันที่สองก็อยากจะได้คันที่สามทำไปทรมาบางทีมีถึงสี่ห้าสิบคันมีถึงร้อยคันมีไปทำไมเวลาไปไหนมาไหนก็ต้องไปคันเดียวนั่งได้คันเดียวแต่มีรถต้องเป็นสิบเป็นร้อยคันไปทำไมก็เพราะว่าใจมันไม่อิ่มใจมันไม่พอใจมันอยากได้เพิ่มขึ้นไปอีกมันถูก หลอกว่าได้แล้วจะมีความสุขมากขึ้นแต่มันไม่ใช่ได้แล้วมันกลับจะมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นเพราะจะต้องคอยดูแลรักษาต้องหาที่เก็บที่จอดมีรถห้สบคันร้อยคันนี่ต้องไปสร้างโกดังไว้เก็บรถแล้วก็ต้องจ้างให้คนเข้ามาดูแลรักษาต้องจ้างให้เขาขับรถไป เพื่อที่ไม่ให้มันเสียเพราะว่าถ้ารถจอดทิ้งไว้เฉยๆนานๆมันก็จะเสียได้นี่คือสิ่งที่ความหลงมันจะหลอกเราความหลงก็คือความมืดบอดไม่เห็นว่าการได้สิ่งต่างๆมานั้นไม่ได้เป็นความสุขไม่ได้เป็นความอิ่มเป็นความพอแต่เป็นความทุกข์เป็นความอยาก เป็นความหิวเป็นความต้องการอย่างไม่มีขอบไม่มีเขตถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไดไ้ไม่ได้มาพบกับพระพุทธเจ้าพ่อทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพระอริยสงสารกของพระพุทธเจ้าพวกเราจะไม่ได้ยินได้ฟังถึงความจริงของเราว่าความสุขของเรานี้อยู่ตรงไหนกันแนะ่ เราจะไม่ได้ยินว่าความอยากนี้เป็นพิษเป็นภัยเป็นอันตรายต่อจิตใจของเราเพราะว่าความอยากนี้จะทำให้เราต้องดิ้นลนต้องขวนขวายต้องแสวงหาสิ่งต่างๆมาได้มามากน้อยเพียงไรก็ไม่เกิดความอิ่งเกิดความพอขึ้นมา ถ้าเราได้พบกับพระพุทธศา ส, Cuban, สนา <ribly liches ifies> เราก็จะได้ยินได้ฟังว่าการที่เราจะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ให้ความอิ่มความพอกับเราความสุขที่จะอยู่กับเราไปตลอดความสุขที่ทำให้เราไม่ต้องมีสิ่งต่างๆทำให้เราไม่ต้องมาทุกข์กับ <|hi|> สิ่งต่างๆเพราะสิ่งต่างๆถ้าเราได้มาแล้ว เราจะต้องทุกขกับเขาทันทีเพราะว่าสิ่งต่างๆนั้นเขาไม่แน่นอนนั่นเองเราได้มาแล้วเราก็อยากจะให้เขาอยู่กับเราไปเรื่อยๆอยู่กับเราไปตลอดแต่เราก็ไม่มีใครมาแต่ก็ไม่มีใครมารับรองมารับประกันได้ว่าสิ่งที่เราได้มาจะอยู่กับเราไปตลอดหรือว่าเราจะไปอยู่กับเขาไปตลอด เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆมีเกิดมีดับมีเจริญมีเสื่มอมดังนั้นพอเราได้มาแล้วเราก็เกิดความหวงเกิดความห่วงความหวงความหว่ ว, มหวงนี่ก็เป็นความทุกข์ใจความไม่สบายใจถ้าเราไม่มีเราก็จะได้ไม่ต้องหวงไม่ต้องห่วงเช่นถ้าเราอยู่คนเดียว ไม่มีสามีไม่มีภรรยาเราก็จะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสามีภรรยาของเราถ้าเรามีครอบครัวมีลูกเราก็ต้องมาห่วงลูกมาห่วงลูกแล้วเราก็ต้องมาเสีย อ, อกเสียใจในภายหลังเวลาที่เขาจากเราไปเพราะคนเราทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็ว ก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันไปทั้งหมดไม่มีใครที่จะอยู่แบบไม่แก่อยู่แบบไม่เจ็บอยู่แบบไม่ตายได้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรเป็นบุคคลเป็นข้าวของเป็นสิ่งของต่างๆล้วนอยู่ภายใต้กฎของอนิจจังท้งนั้นคือเป็นของที่ต้องมีการเสื่อมหมดไปแล้วก็เป็นอนัตตาก็คือ ไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครจะสั่งให้ของต่างๆนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เสมอไปของเขาจะต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเขาจะต้องเสื่อมต้องเสียต้องพังต้องหมดไปในที่สุดถ้าได้อะไรมาใจที่ไม่มีความรู้ความจริงอันนี้ก็จะเกิดความอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยู่กับเราไปตลอด พอเห็นว่าเขาไม่สามารถอยู่กับเราได้ไปตลอดเราก็เกิดความวุ่นวายใจขึ้นมาเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาเพราะว่าเราไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้พบกับพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เรารู้ว่าของต่างๆในเรื่อนี้ สิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของปรองทั้งนั้นของที่จะต้องจากเราไปของที่จะต้องทําให้เรามีความทุกข์มีความวิตกมีความกังวลใจสอนให้เราอย่าไปอยากได้ของต่างๆในโลกนี้ให้เราหาของที่เป็นของเราเป็นของที่จะอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าร่างกายนี้จะ แก่หรือไม่แก่จะเจ็บหรือไม่เจ็บจะตายหรือไม่ตายความสุขที่เราได้จากความสงบของใจนี้จะไม่มีวันเสือ่อมจะไม่มีวันจากเราไปถ้าเรามีความสุขภายในใจแล้วเราจะไม่เดือดร้อนกับการพัดพากจากกันกับของกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆเวลาบุคคลที่เรารักเราชอบ จากเราไปเราก็จะไม่เสีย อ, อกเสียใจเพราะเรามีความสุขอยู่เท่าเดิมเราไม่ได้สูญเสียความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ไปเลยไม่เหมือนกับความสุขที่เราได้จากบุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้จากสิ่งนั้นสิ่งนี้เวลาเราสูญเสียบุคคล น, นั้นไปสูญเสียสิ่งนั้นไปใจของเราก็จะสูญเสียความสุข เราได้จากบุคคล น, นั้นสิ่งนั้นไปเราก็จะรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายเพราะว่าเราไม่เข้าหาความสุขที่มีอยู่ในตัวเราอยู่ภายในใจของเราถ้าเราทำตามที่พูะเจ้าทรงสั่งสอนมันเข้าหาความสุขภายในตัวของเราอยู่เรื่อยๆต่อไปเวลาที่เราสูญเสียอะไร เราจะไม่เสียอกเสียใจเราจะไม่มีความทุกข์ใจเพราะว่าเรามีความสุขใจอยู่ตลอดเวลานั่นเองวิธีที่จะทำให้เรามีความสุขใจตลอดเวลาก็คือเราต้องทำตามที่พระเจ้าทรงสอนไว้ในวันมาคาบูชาก็คือสอนให้เราเลาการกระทําบาปทั้งปวง สอให้เราทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมสอนให้พวกเราชําระใจให้สะอาดบริสุทธิ์นี่คือวิธีที่จะทําให้เราได้เข้าหาความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปความเสื่มที่ไม่มีความอยากได้ความสุขที่มีแต่ความอิ่มมีแต่ความพอ เราจึงต้องมาทำการที่พระเจ้าทรงสั่งสอนต้องศึกษาวิธีการกระทำเหล่านี้ให้ชัดเจนเมื่อเรารู้จากวิธีเหล่านี้แล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติเช่นการไม่ทำบาปก็คือการไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดโตะเวณีไม่พูดปดไม่เสพสุรายาเมา นี่คือการไม่ทำบาปขั้นต้นขั้นที่สองขั้นที่สูงกว่านี้ก็คือการไม่ไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วการไม่ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นการไม่หาความสุขทางตาหูจมูกเล่นกาย เช่นการดูมอะมระหมมหลรสุขและบันเทิงต่างๆการไม่หาความสุขจากการเสริมสวยร่างกายด้วยเครื่องสมอางด้วยน้ําหอมน้ามันด้วยเสื้อผ้าอาอรที่วิจิตรพิสดารและการไม่หาความสุขจากการหลับนอนบนฟูก ห, หนาบนเตียงใหญ่ๆเพราะว่าเป็นความสุขกลอม น, นั่นเอง ถ้าเราละการกระทําเหล่านี้ได้เราก็จะได้มีเวลาที่เราจะได้เข้ามาหาความสุขจริงกันความสุขจริงก็คือการชำระใจให้สะอาดนี่เองใจของเราที่ไม่มีความสุขก็เพราะว่ายังมีความโลภมีความอยากอยู่เราต้องกำจัดความโลภ ก, กำจัดความอยาก ให้หมดไปจากใจให้ได้วิธีที่จะกําจัดวิธีที่จะชำระใจเราก็ต้องเจริญสติเป็นเบื้องต้นเพราะว่าสตินี้เป็นอุปกรณ์สำคัญในการชำระใจของเราถ้าไม่มีสติแล้วจะไม่สามารถที่จะทำใจของเราให้สงบให้สะอาดได้ ดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องมาเจริญสติกันก่อนคาว่าสติแปลว่าการเราเลืกรู้อยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้รู้อยู่กับหลายเรื่องด้วยกันให้รู้อยู่กับเรื่องเดียวตลอดเวลาเช่นให้รู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือให้รู้อยู่กับบทสวดมนต์บทใดบทหนึ่งไปจะบทอิติปิโสก็ได้ อาหารหังสัมมาสวัสดิโตสุปฏิปโ น, โนขอให้เราท่องไปภายในใจอยู่เรื่อยๆให้มีบทสวดมนต์ให้มีพุทโธควบคุมกํากับใจเพื่อที่จะได้ไม่ให้ใจของเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพราะเวลาที่เราไปคิดเรื่องราวต่างๆ <c oughs> ก็จะทําให้เราเกิดความโลภเกิดความอยากขึ้นมา พอคิดถึงขนมก็อยากจะรับประทานพอคิดถึงเครื่องดื่มก็อยากจะดื่มพอคิดถึงมหรสพก็อยากจะดูอยากจะฟังแต่ถ้าเราคิดอยู่กับพุทธโธพุทธโธหรืออยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ผูกใจไว้ให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกอิริยาบถ ไม่ว่ากำลังยืนกำลังเดินกำลังนั่งกำลังนอนกำลังรับประทานอาหารกำลังดื่มน้ํากำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังอาบน้ําอาบท่ากำลังล้างหน้ากำลังแปลงฝันด้วยกำลังทําอะไรอยู่ก็ขอให้ใจเราอยู่กับเรื่องนั้นเรื่องเดียวไม่ใช่แปลงฝันไปก็คิดถึงคนนั่นคนนี้สิ่งนั่นสิ่งนี้ถ้าเรา ทำอย่างนั้นก็เรียกว่าไม่มีสติพอไม่มีสติเราก็จะไม่สามารถดึงใจของเราให้เข้าสู่ความสงบได้เราก็จะไม่ได้พบกับความสุขที่มีอยู่ในใจของเราความสุขที่แท้จริงที่เกิดจากความสงบของใจใจจะสงบได้ต้องมีสติถ้ามีพุทธโธก็เรียกว่ามีพุทธานุสติ ถ้ามีบทสวดมนต์ก็เรียกว่าธรรมานุสติถ้ามีร่างกายก็เรียกว่ากายยกตาสติเป็นสติทั้งนั้นใช้ได้แทนกันได้จะใช้พุทโธก็ได้จะใช้บทสวดมนต์ก็ได้จะใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้มีหลากหลายวิธีด้วยกันขอให้เราเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งแล้วผูกใจให้อยู่กับวิธีนั้น เพื่อไม่ให้ใจลอยไป้อยมาไปกับเรื่องราวต่างๆพอใจอยู่กับเรื่องเดียวได้เวลานั่งหลับตาใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอใจสงบแล้วก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่มีความอยากความสุขที่อิ่มที่พอก็จะทำให้เราได้มีความ พอใจที่จะทำปฏิจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นไปเพราะว่าขณะที่เราได้ความสุขนี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวไปก่อนพอเราออกจากสมาธิออกจากความสงบมาพอเรามารับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่ควบคุมใจด้วยสติเดี๋ยวก็จะไปเกิดความอยากพอเกิดความอยากก็จะเกิดความหิวขึ้นมา เกิดความกังวลขึ้นมาเกิดความวิตกขึ้นมาเกิดความหงุดหงิดใจขึ้นมาเพราะอยากจะได้เวลารู้สึกว่าจะไม่ได้ก็จะเกิดความเสียอกเสียใจแต่ถ้าเราออกจากความสงบแล้วถ้าเราอยากจะรักษาความสงบต่อก็มีสองวิธีด้วยกันเราก็กลับมาเจริญสติต่อกลับมาพุทโธต่อกลับมาดูร่างกายต่อ อย่าปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆใจก็ยังจะตั้งอยู่ในความสงบได้แต่ถ้าเวลาไลที่เราเผลอไม่ได้ตั้งสติเวลานั้นเราก็จะสูญเสียความสงบไปได้ถ้าเราอยากจะรักษาความสงบนี้ให้อยู่อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องคอยเฝ้าดูด้วยสติเราก็ต้องใช้ปัญญาเราต้องสอนใจ ให้รู้ว่าความโลภความอยากนี้เป็นอันตรายต่อความสงบของเราและสิ่งที่เราอยากได้ก็เป็นอันตรายต่อความสงบของเราเพราะถ้าเราได้มาแล้วเราก็จะไม่มีความสงบเราจะต้องวุ่นวายใจกับสิ่งที่เราได้มาเพราะเราอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ เราก็จะไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจถ้าเรามีปัญญาสอนใจใจก็จะหยุดไม่อยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วต่อไปเราก็จะไม่มีความทุกข์ไม่มีความวุ่นวายใจกับสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะเราไม่มีความอยากได้อะไรทั้งนั้นอันนี้ต้องเกิดจากการมีปัญญาเห็นว่าการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ ทำให้ใจของเราไม่สงบแล้วการได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาก็ทำให้ใจเราวุ่นวายทำให้ใจเราไม่สงบเช่นเดียวกันแล้วเวลาสูญเสียสิ่งที่เราได้มาก็จะทำให้ใจของเราเศร้าโศกเสียใจพอเราเห็นความจริงอย่างนี้เราก็จะไม่อยากได้อะไรพอเราไม่มีความอยากใจของเราก็จะกลับคืนสู่ความสงบ โดยที่เราไม่ต้องใช้พุโทโธไม่ต้องใช้สติเพียงแต่เราหยุดความอยากได้เห็นโทษของความอยากได้เราก็จะกลับมาได้ความสงบและเป็นความสงบที่ถาวรไม่มีวันเสือ่อมไม่มีวันหมดไปเพราะเหตุที่ทำให้เสื่อมคือความอยากความโลภนั้นไม่ปรากฏขึ้นมาอีกแล้วเพราะว่าเราไม่ทําตามความโลภทําตามความอยากอีกแล้วนั่นเอง นี่คือวิธีที่จะทำให้ใจของเรามีความสุขไปตลอดแล้วใจของเราจะไม่วุ่นวายจะไม่เดือดร้อนกับการพัดพลาคจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆไปเพราะว่าการพัดพราดนี้ไม่ได้ทำให้เราสูญเสียความสุขที่แท้จริงที่เราได้สร้างขึ้นมาภายในใจของเราด้วยการละา ก, การกระทำบาป ด้วยการทำความดีทั้งหลายด้วยการชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการเจริญสติเพื่อทำใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วรักษาสมาธินั้นไว้ด้วยปัญญานี่คือวิธีการที่จะพาให้เราได้เข้าพบกับความสุขที่แท้จริงที่ถาวรความสุขที่จะทำให้เราอิ่มให้เราพอ ไม่ต้องแสวงหาอะไรอีกต่อไปถึงแม้จะไม่มีเงินก็จะไม่อยากได้เงินถึงแม้จะไม่มีค้ลรหาดก็ไม่มีความอยากจะได้ค้ลหาดเพราะใจมันมีความสุขแล้วรู้ว่าได้มาก็ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าความสุขที่มีอยู่ภายในใจในขณะนี้นั่นเองดังนั้นขอให้พวกเราจง เข้าหาพระพุทธศาสนาเข้าหาพระธรรมคําสอนมันฟังเทศฟังธทมศึกษาไปเรื่อยๆพอเราเข้าใจว่าเราต้องกระทําตนอย่างไรปฏิบัติตนอย่างไรก็ขอให้เราปฏิบัติตามอย่างที่พระเจ้าทรงสอนให้เราละการกระทําบาปทั้งปวงทําความดีทั้งหลายให้ถึงพร้อมจชำระใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ แล้วเราจะได้พบกับของดีของแท้ของที่จะอยู่กับเราเป็นกับเราอยู่กับเราไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเรานี้ไม่มีวันตายใจของเรานี้ไม่มีวันตายเราอยู่กับใจเราไม่ได้อยู่กับร่างกายเวลาร่างกายตายไปเรายังอยู่อยู่กับใจต่อไปจึงขอฝากเรื่องของการมาวัด เพื่อเข้าหาแสงสว่างด้วยการศึกษาด้วยการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสุขที่แท้จริงให้ท่านได้นำมาใบพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติวไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล